เป็นวันที่อาจารย์ชิดมาอยู่วัดป่ามะม่วงครบเดือนพอดีเขาตื่นนอนตอนตีสี่เช่นเคยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เริ่มเดินจงกรมอยู่ให้ในกุติเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงกำหนดนั่งรู้สึกจิตตั้งมั่นได้เร็วกว่าทุกครั้งอาการพองยุบชัดเจนเป็นจังหวะแม้จะรู้สึกปวดที่กกหูข้างขวาหากก็สามารถใช้สติ ข่มเวทนาได้บัดนี้เขาไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพราะจิตสามารถรู้ได้เองว่าถึงเวลาที่กำหนดแล้วหรือยังเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้แต่เฉพาะกับผู้ที่ฝึกจิตไว้ดีแล้วเท่านั้นอีกสิบห้านาทีจะครบชั่วโมงบุรุษสูงวัยรู้สึกปวดที่แผลเป็นกำลัง ปวดราวกับจะไม่สามารถทานทนได้น้ำเหลืองไหลออกมามากผิดปกติจนเสื้อที่สวมอยู่เปียกชื้นแล้วยังไหลเลยไปเปียกกางเกงอีกด้วยช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้นเขารวบรวมสติตั้งจิตอธิษฐานสาธุด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณ พระสังฆคุณและบารมีของท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงหากทุกขเวทนาที่ข้าพเจ้ากำลังได้รับอยู่นี้มีสาเหตุมาจากกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือในอดีตชาติขอให้ข้าพเจ้าสามารถระลึกนึกย้อนไปถึงกรรมนั้นได้ เพื่อจะขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรขอให้ข้าพเจ้าจงหมดเวรหมดกรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทินสิ้นคาอธิษฐานภา พ, พยนต์แห่งอดีต ท, ที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงก็ฉายชัดขึ้นในมโนทวารผู้ชายอายุส0กสาลังข ม, มักขม้นเรียนวิชาที่อาจารย์กําลังสอน คนคนนั้นคือตัวเขาเองเมื่อ30ปีที่แล้วเขาได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาวิชาการเกษตรในหลักสูตรมีวิชาวิธีการฆ่ารวมอยู่ด้วยและในการเรียนนักศึกษาก็ต้องลงมือฆ่าสัตว์กันคราวละหลายๆตัวสัตว์ที่จะนำมาเป็นอาหารเช่นเป็ดไก่ หมูและวัวเขาจำได้ว่ากว่าจะจบหลักสูตรได้ฆ่าสัตว์เหล่านี้ไปนับร้อยๆชีวิตโดยการใช้มีดปลายแหลมแทงที่บริเวณคอผลกรรมอันนี้จึงทำให้เขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโชคยังดีที่เขาไม่ได้นำวิชานี้มาเปิดสอนนักศึกษาในเมืองไทยมิฉนั้นก็คงก่อกรรมทำเข็นมากกว่านี้ เมื่อภาพยนต์แห่งอดีตฉายจบลงเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เหล่าสัตว์ที่ตนเคยฆ่าและคงจะได้ผลเพราะเขาได้ยินชัดเจนเสิ่งที่กล้องอยู่ในโสดประสาทว่าอโหสิอโหสิอโหสิสาธุอนุโมทามิสิ้นเสียงของเจ้ากรรมนายเวร อาการปวดแผลหายวับไปราวกับไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อนจิตของบุรุษสูงวัยรับรู้ว่าหมดเวลาของการนั่งแล้วเขาจึงกำหนดลืมตาเอามือคลาที่ใต้กกหูข้างขวาก็ไม่ปรากฏว่ามีแผลแถมเสื้อผ้าที่เปียกชื้นก็แห้งสนิทไม่มีกลิ่นชวนให้ขยะขยงังใดๆหลงเหลืออยู่อารามดีใจ เขาส่งเสียงเรียกนายสมชายและนายขุนทองดังลั่นกุติสมชายขุนทองมานี่นอยนายขุนทองเข้ามาก่อนเพราะอยู่ใกล้ส่วนนายสมชายนั้นเมื่อไม่ได้ทำหน้าที่หิ้วบิ่นโตตามหลังท่านพระครูในเวลาที่ท่านออกบินธบาตจึงถือโอกาสนอนตื่นสายและไม่ได้ยินเสียงเรียกของบุรุษวัยหิ อาจารย์เรียกหนูหรือฮอชายหนุ่มถามถูกแล้วช่วยขึ้นไป เ, เรียนให้หลวงพ่อทราบหน่อยว่าผมมีธุระขอพบด่วนฮอแต่หนูขออนุญาตลานะงหน้าแปลงฝันก่อนได้ไหมฮอเขาต่อรองและแล้วก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเห็นท่าทางรีบร้อนของอีกฝ่ายตกลงฮอหนูจะขึ้นไปเรียนท่านเดี๋ยวนี้ เขาหายขึ้นไปอึดใจหนึ่งก็ลงมาลึงลุงบอกให้ขึ้นไปได้เลยเหออาจารย์ชิดจึงขึ้นไปกราบท่านพระครูสามครั้งอย่างสำนึกในบุญคุณเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านเจ้าของกุฏิฟังรู้สึกปิติจนน้ำใสๆคลอหน่วยตาทั้งสองอาตมาขออนุโมทนาโยมหมด เวียนหมดกรรมแล้วกรรมเก่าชดใช้แล้วกรรมใหม่ก็อย่าสร้างอีกนี่อัตมาหมายเฉพาะกรรมชั่วนะอย่าไปสร้างอีกถ้าจะสร้างก็ขอให้เป็นกรรมดีเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับผมเข็ดแล้วครับหลวงพ่อเข็ดแล้วจริงๆไม่นึกเลยว่า เวนกรรมจะให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้ผมลืมสนิทเลยครับว่าได้ทำกรรมนี้เอาไว้ก็มันผ่านมาตั้งสามสิบปีแล้วนี่ครับบุรุษสูงอายุว่านั่นสิอย่าว่าแต่สามสิบปีเลยแค่ผ่านไปเมื่อวานบางคนก็ยังลืมเส้นแล้วจริงไหมจริงครับ แต่หลวงพ่อครับผมสงสัยเหลือเกินว่าทำไมแผลถึงหายเร็วนักตอนเริ่มนั่งสมาธิผมยังปวดแทบจะทนไม่ไหวแต่บทจะหายก็หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แม้แต่กลิ่นก็ไม่มีเหลือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับก็อาตมาเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าโรคกรรมนั้น ไม่เหมือนกับโรคทั่วๆไปถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขายัางอาคาตหมอก็รักษาให้หายไม่ได้แต่พอเขาอาโหสิโรคก็หายไปเองอย่าไปสงสัยเลยเป็นเรื่องของกรรมวิสนะัยน่ะพระพุทธองค์ท่านตรัสห้ามเพราะเป็นอจินไตยเรื่องนี้อาตมาเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้ว โยมคงจำได้ครับจำได้ถัดเช่นนั้นผมเห็นจะต้องเลิกสงสัยเพราะเดี๋ยวจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าดังที่พระพุทธองค์ตรัสเขายิ้มทั้งน้ำตาเอาละ่ะใกล้เวลาอาหารเช้าแล้วไปเตรียมล้างหน้าล้างตากันก่อนเดี๋ยวอาตมาก็จะลงไปสงน้ำเหมือนกัน แล้วหลวงพ่อไม่ปวดขาหรือครับเวลาเดินขึ้นเดินลงนะครับปวดก็ต้องทนเอานี่ก็โรคกรรมเหมือนกันแต่อาตามาลงวันละครั้งเท่านั้นตอนเย็นก่องงดสงน้ำใช้เช็ดตัวแทนอาจารย์ชิดกำลังจะลงมาข้างล่างนายสมชายก็เดินออกมาจากห้องพอดี เห็นท่าทางสดชื่นเบิกบานของอีกฝ่ายจึงเอ่ยทักมหาลุงพ่อแต่เช้าเลยมีอะไรพิเศษหรือครับผมหมดเวรหมดกรรมแล้วดูสิแผลที่กกหูก็หายสนิทเลยแถมไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจด้วยต้องขอขอบใจสมชายกับคุณทองที่ช่วยดูแลผมอย่างดีต่อไปนี้ผมจะเดินไปรับประทานอาหารที่โรงครัวเอง ไม่ต้องลำบากเอามาให้ผมขอเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เลยคนหายป่วยพูดใจจ้อยผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสิทธวัดแสดงมุทิตาจิตเมื่อเห็นเขาพ้นทุกพนร้อนงั้นเดี๋ยวคุณล้างหน้าล้างตาแล้วจะได้ไปนำอาหารมาถวายหลวงพ่อขออนุญาตให้ผมไปช่วยยกด้วยคนนะตอนนี้ผมไม่มีกลิ่นหน้ารังเกียจแล้ว คนสูงวัยอาสาอยากทำหน้าที่นี้มานานนับตั้งแต่ท่านพระครูได้รับอุบัติเหตุออกบินทบาทไม่ได้แต่เมื่อนึกถึงกลิ่นกายที่ไม่พึงปรารถนาของตนก็ต้องอดใจไว้ลุงพ่อจะลงเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าครับผมจะได้ช่วยประคองลงไปนายสมชายจึงตอบแทนท่านพระครูว่า คงไม่ต้องมังครับอาจารย์ขนาดผมจะช่วยท่านก็ยังไม่ยอมบอกเดี๋ยวจะชดใช้กรรมได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องตามใจท่านสิทย์วัดอดกระแนะกระแหน่เสียไม่ได้เอาละเอาละอย่ามัวพูดมากอยู่เลยจะทำอะไรก็รีบรีบไปทำซะฉันจะใช้เวลาตอบจดหมายอีกสักสองสามฉบับ แล้วจึงจะลงไปล้างหน้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้ห้องน้ำชายหนุ่มจึงลงมาทำธุระที่ห้องน้ำใต้บันไดอาจารย์ชิดกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงตามลงมาครั้นเห็นนายขุนทองกำลังเก็บที่นอนให้ตนจึงรีบเข้าไปช่วยขอโทษทีผมรีบขึ้นไปหาหลวงพ่อ เลยยังไม่ทันได้เก็บที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่เป็นไรหรออาจารย์คงมีเรื่องด่วนกับลุงลุงใช่ไหมอคนถามอยากรู้ก็โดนเหมือนกันแต่เรียบร้อยแล้วผมเพียงแต่จะไปกราบเรียนท่านว่าผมหายแล้วคุณดูนี่สิแผลใต้กอกหูข้างขวาผมหายสนิทเลยอัศจรรย์เหลือเกิน พูดพร้อมกับเอียงหน้าให้เขาดูตรงที่เคยมีแผลอุย๊ยจริงจริงด้วยแล้วกลิ่นก็หายไปด้วยอาจารย์ไปทำยังไงหรือฮะผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำเป็นเพราะบา ร, รมีของท่านแท้ๆเชียวที่ทำให้ผมหายจากโรคร้ายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลย น, นั่นนี่เงินอีกไม่นาน อาจารย์ก็คงกลับไปอยู่บ้านใช่มหมฮะหนูคงคิดถึงอาจารย์แย่เลยเมื่อพูดถึงบ้านอาจารย์วัยหกสิบรู้สึกคิดถึงพัญญาและลูกๆขึ้นมาทันทีความขุ่นข้องหมองใจที่เคยมีต่อพวกเขาพลันมาลายไปสิน้นผมก็คงคิดถึงที่นี่เหมือนกันโดยเฉพาะลุงพ่อเงินอาจารย์ก็อย่าเพิ่งกลับสิฮอ อยู่ไปอีกสักเดือนสองเดือนชายหนุ่มชวนให้เขาอยู่ต่อผมตั้งใจจะอยู่จนกว่าหลวงพ่อจะหายเป็นปกติอยากช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อทดแทนบุญคุณที่ท่านชุบชีวิตใหม่ให้กับผมหลังจากนั้นก็ว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านสักพักใกล้เข้าพรรษาจะกลับมาบวชที่วัดนี้ผู้สูงอายุวางแผนชีวิต หนูขออนุโมทนาด้วยหอและก็ดีใจที่มีคนมาช่วยงานหลงลุงห้องน้ํำบ้างแล้วเชิญอาจารย์เธอหอเมื่ออาจารย์ชิดหายเข้าไปในห้องน้ํานายขุนทองก็จัดการกวาดถูกุฏิชั้นล่างจนสะอาดสะอ้านส่วนชั้นบนเป็นหน้าที่ของนายสมชายเพราะแบ่งงานกันแล้วขุนทองวันนี้เองไม่ต้องไปช่วยข่า ย, ยกสําหรับของหลวงพ่อนะ อาจารย์เขาจะจัดการเองนายสมชายลงมาบอกกล่าวก็ดีสิพี่แบบนี้คุณทองก็สบมมออะไรของเองวะสบมออะไรอุ๊ยพี่นี่เฉยเยสบมมอก็โยห ม, มาจากสบายมากไงหนุ่มวัยยสิบเอ็ดเฉลยอาจารย์ชิดออกมาจากห้องน้ำและเช็ดหน้าเช็ดตาแห้งแล้วนายสมชาย จึงเอ่ยชวนไปกันหรื อ, อยังครับแล้วคุณทองล่ะบุรุษสูงวัยถามสองคนก็พอหนูจะจัดถ้วย จ, จัดจานขึ้นไปโกรเขาตอบคนทั้งสองจึงเดินมุ่งหน้าไปยังโรงครัวเพื่อนำพัตหารมาถวายท่านพระครูหลังอาหารเช้าอาจารย์ชิดและนายสมชายขึ้นไปช่วยงานท่านเจ้าของกุฏิอย่างเคย จดหมายเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละวันและคนที่เขียนมาล้วนแล้วแต่ขอให้ท่านช่วยแก้ปัญหาช่วยดับร้อนผ่อนทุกบ้างก็พรันานาถึงความรับแค้นใจที่สามีไปมีหญิงอื่นไม่มีซักฉบับเดียวที่ท่านอ่านแล้วจะเกิดความชุ่มชื่นระรื่นใจโดยไม่มีใครเขียนมาบอกว่าหนูมีความสุขหนูรวยสามีหนูดี ลูกหนูดีหนูไม่มีปัญหาใดๆไม่เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนคนอื่นเขาเพราะลูกก็ดีหัวก็ดีคนใช้ก็ดีท่านอยากจะได้รับจดหมายในทำนองนี้บ้างหากก็ไม่มีเลยเพราะถ้าเขามีความสุขแล้วเขาก็จะไม่นึกถึงท่านคนที่จะคิดถึงท่านก็คือคนที่มีทุกข์มีปัญหาภิกษุหนึ่งรูป กับเครือขัด ส, สองคนเพิ่งจะช่วยกันตอบจดหมายไปได้ฉบับเดียวนายขุนทองก็ขึ้นมารายงานหลวงลุงฮอท่านรัฐมนตรีมาขอพบฮอรัฐมนตรีไหนละ่ะท่านถามพระวัดนี้มีรัฐมนตรีมาหลายคนอดีตรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีคนปัจจุบันบ้างรัฐมนตรีในอนาคตบ้างโดยเฉพาะประเภทหลังนี้ มีมากที่สุดเพราะใครๆก็ฝันอยากจะเป็นรัฐมนตรีกันทั้งนั้นคนที่เคยมาเลี้ยงเพลงนเมื่อวันที่หลงลุงไปเผาสุปเปนเนยนะฮะหลานชายตอบนายสมชายรีบแยงว่าไม่ใช่ป้าเนยหรอกคุณทองป้านวนสีตังหกักคนที่ชื่อเนอยเป็นลูกสาวเอ็งก็ไปแช่งเขาซะแล้วระวังบาปจะกินหัวเอง็งเอา้าไงเป็นเงินไปได้ก็หนูไม่รู้จักตัว เคยได้ยินแต่ชื่อเลยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแม่คนไหนเป็นลูกจะให้ลูกตายก่อนแม่ซะแล้วแต่ความจริงยังอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละยังไม่มีใครตายสักคนสิทวัดว่ามีก่อลูกเคยเข้าไงละ่ะคราวนี้คนที่แย้งคือท่านพระครูโออทาไมถึงได้กลับตลบประดิเงนินละ่ะเขาถามนายสมชายเห็นหลวงพ่อบอกว่า เป็นเรื่องของกรรมข้าก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรหรอกเอ็งอยากรู้ก็ถามหลวงพ่อเอาเองสิทธวัดจัดการโยนกลองไปให้ท่านพระครูมั่วเถียงกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวรัฐมนตรีท่านก็คอยแยกลงไปเรียนท่านว่าถ้าให้ขึ้นมาข้างบนนี้ท่านเจ้าของกุฏิออกคำสั่งนายขุนทองจึงลงมาข้างล่างเพื่อเรียนให้รัฐมนตรีทราบ ถ้าเจ่นนั้นผมจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับเผื่อท่านมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อเป็นพิเศษอาจารย์ชิดพูดอย่างคนมีมารยาทไม่ต้องหอกโยมท่านเพียงแต่จะมาบอกว่าจะมาเลี้ยงเพนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงจริงหรือครับทําไมหลวงพ่อทราบเดี๋ยวโยมคอยดูก็แล้วกันว่า จะเหมือนที่อาตมาพูดไว้หรือเปล่าพอดีกับรัฐมนตรีขึ้นมาถึงพร้อมพูดติดตามซึ่งแต่งเครื่องแบบนายตำรวจยศพันเอกคนทั้งสองกราบท่านสามครั้งจเจริญพรท่านรัฐมนตรีอาตมาต้องขอประทานโทษที่ต้องให้ขึ้นมาบนนี้เด็กเข้าคงเรียนให้ท่านทราบแล้วว่า เพราะเหตุใดท่านหมายถึงนายขุนทองครับเขาบอกว่าหลวงพ่อตกบันไดาขาหักทำไมหลวงพ่อไม่ไปหาหมอละครับอาตมาไม่ชอบโรงพยาบาลขึ้นชื่อว่าโรงอาตมาไม่อยากเข้าสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลโรงพักโรงศาลหรือโรงศพ ท่านพูดแล้วหัวเราะผมก็ไม่ชอบครับไม่ชอบสีโรงหลังแต่โรงแรกชอบครับนี่ก็กำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปนอนโรงแรมที่นั่นนายขุนทองยกถาดเครื่องดื่มขึ้นมาบริการเป็นกาแฟร้อนส่งกลิ่นหอมฉุยทำไมเอามาแค่สองถ้วยละ่ะท่านมากันสามคนนะ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงบอกหลานชายหลุงลุงตาฝาดบังเฮท่้นมาเกินแค่สงคุณท่านนั้นหนูก็เห็นกระตานิ่นาสงสัยจะต้องเปลี่ยนเว้นใหม่หมแล้วละ่ะหลวลุงเนี่ยตาข้าไม่ฝาดหอกขุนทองไปชงกาแฟมาอีกถ้วยหนึ่งแล้วไปบอกตุ๊ ก, กตาที่นั่งอยู่ในรถของท่านรัฐมนตรีมาที่นี่ บอกหลวงพ่อเชิญมาดื่มกาแฟก่อนรัฐมนตรีสบตากับผู้ติดตามแล้วต่างก็ทำหน้า ง, งวยงงก็อุตส่าห์ซ่อนแม่หนูคนนั้นไว้ในรถเบน์มีม่านลูกไม้ปิดกระจกอย่างมิดชิดเหตุไฉนท่านจึงมองเห็นมีนำซ้ำรถก็จอดอยู่ลานวัดโน้นทำไมหลวงพ่อทราบละครับรัฐมนตรีและผู้ติดตามถามขึ้นพร้อมกัน โดยไม่ได้นัดหมายทำไมอาตมาจะไม่ทราบละ่ะท่านพระครูถามยอกย้อนเด็กของผู้กากับเขารัฐมนตรีรีบโยนความผิดให้คนที่ทำหน้าที่ขับรถให้ฝ่ายนั้นโยนกลับอย่างแยบยนด้วยการตอบว่าครับเด็กของผมเองผมเป็นคนเลือกสัรมาให้ท่านแล้วท่านก็โปรดปรานมากเลยครับ เป็นวาสนาของเด็กตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอายุเท่าไหร่ท่านเจ้าของกุฏิถามห1อดครับแล้วแม่นหนูคนนั้นละ่ะพันตำรวจเอกรีบตอบแทนเจ้านายว่า16หครับอายุเท่ากันนะครับหลวงพ่อเพียงแต่ตัวเลขสับกันที่ห1อ็ดกับ16คนตอบหวังเอาใจเจ้านาย แบบนี้ถ้าจะว่าเป็นลูกสาวก็คงจะอ่อนเกินไปเป็นหลานสาวกําลังพอเหมาะท่านเล่นขามสองรุ่นเลยนะท่านพระครูสัพยโยกทูหลวงพ่อครับผมเป็นคนไม่ชอบขัดใจใครเขาให้อะไรมาก็ต้องรับไว้หมดท่านหลวงพ่อจะว่าก็ต้องว่าผู้กํากับเขานะครับเอาละเอาละ ไม่ต้องเถียงกันว่าแต่ว่าที่มานี่มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเปล่ามีครับคือคุณยิง้งเขาให้มากราบเรีนหลวงพ่อว่าวันที่ส1เอดเดือนนี้เขาจะมาเลี้ยงเพนครับวันครบรอบวันเกิดเขาทุกปีก็เลี้ยงฉลองกันที่บ้านมาปีนี้เขาอยากจะเปลี่ยนสถานที่เขาบอกมาคราวนั้นแล้วติดใจหลวงพ่อเทศเก่ง พอดีกับนายขุนทองขึ้นมารายงานว่าสาวน้อยแรกรุ่นดารุณีไม่ยอมมาคงจะอับอายขายหน้าที่เป็นเมียคนอายุคราวปู่คราวตาเป็นเมียลับๆเสียด้วยเง้นผมต้องกราบลาละครับรัฐมนตรีเอ่ยลาเพราะห่วงว่าสาวน้อยจะรอนานนายขุนทองตามไปส่งถึงรถไม่ได้คิดจะประจบประแจงรัฐมนตรีแต่เพราะติดใจ ในความงามของสาวแรกรุ่นหนุ่มวัย21อตั้งจิตอธิษฐานว่าจะประคุณชาติหน้าฟ้าใหม่ขอให้ขุนทองสู่อย่างนี้บ้างเถอะคนสมัยนี้เขาให้ของกำนันกันแปลกๆน่าโยมนะท่านพระครูพูดกับอาจารย์ชิดหลังจากรัฐมนตรีและพูดติดตามลงไปแล้วครับ แล้วพวกข้าราชการสมัยนี้ก็เอาใจเจ้านายเก่งกันเหลือเกินบางคนรู้กระทั่งวันเกิดของเมียน้อยนายแต่ของเมียตัวเองกลับไม่รู้อย่างนี้ละมังอาจตา ม, มาถึงได้ยินเขาแปลงกรอนของสุนทรภู่ให้เข้ากับยุคสมัยสุนทรภู่ท่านแต่งไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้ รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเขากลมมาแปลงเสี้ยใหม่เป็นรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้เลียขาเลียแข่งตำแหน่งดีท่านเจ้าของกุฏิพูดยิ้มยิ้ม